ความเป็นมาของชาวไทยพระปฐมเจดีเป็นเจติยสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศสุวรรณภูมิที่เรียกว่าแหลมทองคือประเทศไทยในปัจจุบันท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าเมื่อครั้งมีการทำสังคยนาครั้งที่สามนั้นพิเศษคือมีพระมหากษัตริย์ทรงพระปรีชาสามารถอันกว้างไกล เห็นว่าพระพุทธศาสนามารวมเป็นกระจุกอยู่ที่ชมพูทวีหากมีอันเป็นไปจากเพศภัยต่างๆพระพุทธศาสนาอาจสูญสิ้นก็ได้จึงมีพระประสงค์จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศสำหรับพระสงค์สายต่างๆผู้เราจะไม่นำมากล่าวจะกล่าวเฉพาะที่มาอย่างสุวรรณภูมิประเทศตามที่ท่านพระอาจารย์เล่าให้ฟัง ท่านที่เป็นหัวหน้ามาสุวรรณภูมิคราวนั้นตามประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ถือท่านพระโสนะและท่านพระอุตรัก์การส่งพระสงฆ์ไปประกาศพุทธศาสนาคราวสังคยนาครั้งที่สามนั้นอยากเข้าใจว่าจัดแจงบริคารลงในบาทและยามรองผ้าเสร็จก็ออกเดินทางได้ต้องมีการจัดการเป็นคณะมากพอสมควรรวมทั้งพระสหจรและสามเณร อุบาสกอุบาสิกาด้วยเป็นกระบวนการเดินทางรอนแรมระยะไกลไปต่างประเทศประสงค์ผู้เป็นหัวหน้าและสหจรท่านคงมีสายญาติและสายโยมผู้เคารพนับถือตามไปด้วยคงไม่ปล่อยให้ท่านเหล่านั้นเดินทางไปลำบากต้องมีคณะติดตามเพื่อจะได้คอยช่วยเหลือหุงหาสเสบียงอาหารในระหว่างเดินทางอีกอย่างหนึ่ง หากพบภูมิประเทศที่เหมาะสมก็ตั้งถิ่นฐานสแสวงโชคอยู่ที่สุวรรณภูมิประเทศได้จึงได้พากันมาเป็นกระบวนใหญ่ชนชาติเจ้าของถิ่ินเดิมที่อาศัยอยู่ในสุวรรณภูมิประเทศมีอยู่แล้วแต่คงไม่มากหากมีอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายและเพศไัยต่างๆมาย่ำยีเบียดเบียนการป้องกันก็ลำบากเพราะกาลังไม่พอ นครปฐมของเป็นที่รวมชุมชนกระบวนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและนักสแสวงโชคจากชมพูทวีปคงเอาที่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นชาวสุวรรณภูมิก็คงได้ยินกิิศัพท์เช่นกันจึงต้อนรับด้วยความยินดีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็ดีการสแสวงโชคของญาติโยมที่ตามมาก็ดี ได้รับการสนับสนุนด้วยดีประกอบกับพื้นแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ชาวประชาทินเดิมก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยและศีลห้ามีการสร้างวัดถวายคงเป็นวัดพระปถมเจดีเดี๋ยวนี้ส่วนนักสแสวงโชคก็คงประกอบสัมมาอาชีพไปตามความสามารถและปฏิบัติพระสงฆ์ไปด้วยพร้อมๆกันนี่คือชาวชมพูทวี ที่ได้เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรกนักสแสวงโชคเหล่านั้นเมื่อประสบโชคแล้วแทนที่จะหยุดอยู่แค่นั้นก็นึกถึงญาติญาติทางชมพูทวีปกลับไปบอกข่าวสารแก่ญาติญาติจึงมีการอพยพย้ายถิ่นฐานตามกันมาอีกลุศักราชประมาณ500ยถึง900ปีหลังพุทธปรินิพาน อาเพศเหตุร้ายก็เริ่มเกิดขึ้นเนื่องจากชนชาติชาวเปอร์เซียในปัจจุบันคือแถบตะวันออกกลางเกิดมีลทัทธิอย่างหนึ่งขึ้นมาในปัจจุบันคือศาสนาอิสลามได้จัดขบวนทัพอันเกรียงไกรลุกรานเข้าสู่ชมพูทวีปคือประเทศอินเดียในปัจจุบันอินเดียสมัยนั้นมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาสนที่พึ่งอาศัย ของชาวชมพูทวีปทั้งเจ็ดรัฐรวมทั้งชาวศากยะวงของพระองค์อยู่ด้วยกันชั้นพี่น้องการเตรียมรบจึงไม่เพียงพอเมื่อกองทัพอันเกรียงไกรยกเข้ามาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบสิ้นชาติก็เกิดขึ้นการหนีตายอย่างทุลักทุเลของรัฐเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรมหาวิทยายลัยนาลันทาเอยพระเวรุวันเอยพระเจโตวันเอยบุพารามเออย รวมทั้งพระสงฆ์เป็นหมื่นๆประวัติศาสตร์ก็ได้จารึกไว้แล้วตายเป็นเบือราบเรียบเป็นหน้ากลองชาวรัฐโกศลและรัฐเล็กรัฐน้อยเช่นลิชวีมันละก็ทลักเข้าสู่ดินแดนชเวดากองคือพมา่ามอนและไทยใหญ่ในปัจจุบันชาวมาโคธรัฐมีเมืองราชครธเป็นราชธานีก็หนีตามสายญาติที่เดินทางมาก่อนแล้ว มาสู่สุวรรณภูมิรวมทั้งรัฐเล็กรัฐน้อยมีรัสั ก, กะโกริยะและอื่นๆก็ติดตามมาด้วยแยกเป็นสองสายสายหนึ่งไปทางเยโนกประเทศคือรัฐฉานปัจจุบันอยู่ในพมา่าและเลยไปถึงมณฑลยูนนานของประเทศจีนรัฐใหญ่ในครั้งพุทธกาลคือรัฐมคตเป็นไทยในปัจจุบัน รัฐโกสลนคือพมา่าคือเมียนมาในปัจจุบันท่านพระอาจารย์เล่าว่าพมา่าและไทยพระพุทธเจ้าทรงโปรดและตรัสสอนเป็นพิเศษสองประเทศนี้จึงมีพระพุทธศาสนาที่มั่นคงมายาวนานและจะยาวนานต่อไปแต่พมา่าเป็นเมืองเศรษฐีอุปธรรมสมัยเป็นชาวโกศลก็มีขหาบดีคืออนาถบิณฑิกะ และนางวิสาขาเป็นผู้อุปธรรมแต่ไทยมีองค์พระมหากษัตรัย์เป็นเอกอัครราชสานนูปธรรมพกพิเศษกว่าพมา่าชาวพมามีอุปนิสัยทุกอย่างโดยเฉพาะความซื่อสัตย์เหมือนคนไทยเป็นมิตรคู่รักคู่แค้นจะฆ่ากันก็ไม่ได้จะรักกันก็ไม่ลงท่านว่าอย่างนี้ สมัยพุทธกาล ร, รัฐมคตมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันบางคราวก็รบกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาเป็นไทยเป็นพมา่าก็รบกันประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้แล้วส่วนพระปะถมเจดีนั้นผู้เล่ากล่าบเรียนถามท่านพระอาจารย์ท่านตอบว่าคงจะสร้างเป็นอนุสรการนำพระพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิเป็นครั้งแรก ฟังแต่ชื่อก็เล่ากันปฐมก็คือที่หนึ่งคือพระเจดีย์องค์แรกถึงกล่าวต่อไปว่าคงบรรจุพระธาตุพระอรหันต์รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุด้วยเมื่อมีการบูรณะแต่ละครั้งผู้จาเลืกเรื่องราวมักบันทึกเป็นปัจจุบันเสียประวัติศาสตร์เบื้องต้นจึงไม่ติดต่อขาดเป็นขั้นเป็นตอนว่าคนนั้นสร้างบ้าง คนนี้สร้างบ้างแล้วแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคำพูดแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยย้อนถอยหลังกลับไปคำว่าประเทศพมา่าคนไทยจะไม่รู้จักรู้จักพม่าว่าเมืองมันเดเลหรือหงสาวดีและคนพม่าก็ไม่รู้จักคำว่าประเทศไทยจะรู้จักไทยว่า เมืองอโยธยาเรื่องราวเหล่านี้ผู้เล่าได้ฟังมาจากท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์ชอบต่อไปจะได้เล่าเรื่องชนชาวไทยชนชาวลาวท่านพระอาจารย์เล่า ว, ว่าชาวลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็คือชาวนาครราชครืหรือรัชมคตเช่นเดียวกับชาวไทย ไทยและลาวจึงเป็นเชื้อชาติเดียวกันแต่ น, นี้ตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาคนละสายลาวเข้าสู่แดนจีนจีนจึงเรียกว่าพวกฮวนคือคนป่าคนเถื่อนที่หนีเข้ามาโดยชาวจีนไม่ยอมรับจึงมีการขับไล่เกิดขึ้นซึ่งประวัติศาสตร์ไทยเขียนไว้ว่าไทยมาจากจีนเห็นจะเป็นตอนนี้กระมัง ความจำเป็นเกิดขึ้นจึงมีการต่อสู้แบบชนตรอกถอยร่นลงมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิตามสายญาติคือไทยสู่12จุดไทยส2องปันนาหนองแสและแควนหลวงพระบางปัจจุบันก็ยังมีคนไทยตกค้างอยู่พอถอยร่นลงมาถึงนครหลวงพระบางเห็นว่าปลอดภัยแล้วและภูมิประเทศก็คล้ายกับ น, ค, นรครราชสี จึงได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นั่นและอยู่ใกล้ญาติที่สุวรรณภูมิด้วยคื อ, อนครปฐมเป็นพวกที่มาตั้งอยู่ก่อนและพวกที่เข้ามาตอนหนีตายคราวนั้นการสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นมาโดยราบรื่นโดยให้ชื่อว่ากรุงศรีสัตนาคนาหุตคือเมืองล้านช้างจนถึงพระเจ้าโพธิสารเป็นพระมหากษัตริย์พระอเมียรราชโอรสสองพระองค์ ชื่อเสียงท่านไม่ได้บอกไว้พอเจริญไวัยพระเจ้าโพธิสารทรงเห็นว่าเมืองปัจจุบันคับแคบมีภูเขาล้อมรอบขยายขอบเขตยากการเกษตรกรรมทำนาไม่เพียงพอและเพื่อเป็นการขยายอาณาจักรด้วยจึงทรงราชโอรสองค์ใหญ่ไปต่ำลาแม่น้ำโขงมาถึงเวียงจันทร์จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงจันทบุรี สีสัตตนาคหนาหุดส่วนพระราชโอรสองค์น้องได้ไปตามลําน้ำนานมาตั้งบ้านเมืองอยู่ที่สุขโขทยัยโดยมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงสุโขทัยท่านพระอาจารย์แปลให้ฟังด้วยว่าสุโขทัยแปลว่าไทยเป็นสุขเหตุที่อยู่ที่นี้เพราะปัจจัยในการครองชีพเอื้อเอำนวยและใกล้ญาติทางนครปฐม ไหาสู่ก็สะดวกท่านว่าอย่างนี้นครปฐมก็มีเมืองหลวงคือทวาราวดีศีอายุทยาที่เรียกว่ายุทธาราวดีนั่นเองเวียงจันทร์จึงเป็นพระเจ้าพี่สุขโขไทยเป็นพระเจ้าน้องนครปฐมสุขโขไทยหลวงพระบางเวียงจันทร์ก็คือชนชาติชาวราชฤๅในครั้งพุทธกาลนั่นเอง การอบพยพหนีตายคราวนั้นบางพวกลงเรือข้ามทะเลไปขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชก็มีซึ่งมีพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นสักขีพยานว่าชาวใต้ทั้งหมดก็เปลี่ยนชนชาติรัฐมคตในครั้งพุท ธ, ธกาลเหมือนกันกันกบชาวพมา่ามอญกะเรียงไทยใหญ่ก็คือชาวโกศลในครั้งพุท ธ, ธกาลนั่นเอง หมายเหตุผู้บันทึกเสียงในเรื่องของไทยกับลาวนั้นถ้าไม่มีอคติทางใจจะเห็นชัดนะครับว่าคนไทยกับลาวนั้นเป็นชาติเดียวกันดูได้จากภาษาที่พูดกันรู้เรื่องและมีสองประเทศในโลกเท่านั้นที่คุยเข้าใจกันนอกนั้นเป็นภาษาอื่นที่ฟังกันไม่ออกทั้งนั้นแต่น่าเสียดายว่าเพราะความต้องการผลทางการเมืองคนลาวจานวนหนึ่งถูกปลูกฝังให้เกลียดคนไทย ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือลาวเป็นเสมือนญาติใกล้ชิดและรู้สึกดีกับคนลาวมากเมื่อพูดถึงลาวจะนึกถึงแต่ภาพคนใจดีใจบุญประเทศร่มรื่นผู้คนน่าคบหาและรู้สึกลึ ก, ลกว่าเป็นคนประเทศเดียวกันหรือเป็นพี่น้องกันคำว่าบ้านพี่เมืองน้องเป็นคำเรียกที่หมายถึงเราเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ได้หมายถึงว่า ประเทศไทยเป็นพี่ประเทศเราเป็นน้องท่านนับเชื้อสายกันจริงที่หลวงปู่มั่นท่านเล่าไว้เขาเป็นประเทศพี่เรามากกว่านะครับคือพระเจ้าพี่มาตั้งเมืองที่เวียงจันท์และพวกเราคือลูกหลานพระเจ้าน้องที่มาเริ่มต้นที่สุขโขทยัยแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงจริงจะไม่แบ่งแยกไม่ว่าชนชาติอะไรจะรู้สึกรักระวังดีได้กับทุกคนไม่คิดว่าใครเป็นชาติอะไรแต่จะเห็นว่าเราล้วนเป็นชีวิตหนึ่ง ที่มีท่าสี่คันห้าเหมือนกันเวียนว่าอยู่ในสังสารวัตรยังวนอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องตัดความสำคัญตนว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนชาตินั้นชาตินี้ออกไปให้ได้เพราะนี่คืออุปาทานสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้จิตบริสุทธิ์ไม่มีเพศไม่มีชาติไม่มีแบ่งแยกอะไรทั้งนั้นนะครับเราไม่ได้เป็นอะไรจริงเป็นแค่สภาวะชั่วคราว ในชาติหรือในชีวิตหนึ่งหนึ่งเท่านั้น